โยนลงไปในน้ำเนะถอนขนถอนขนกไฟลนหนังเกียวแล้วก็มาพาท้องแล้วก็มาย่างอีกขายขายเพื่อกินกับตำส้มหู่แต่ได้จำนวนไก่ที่ยังเหลืออยู่อยู่ในกรงนะมันยังเหลืออยู่ยายเนี่ยก็เอาข้าวโปรยโปรโปโปย ล, ล, ลงไป จำนวนนั่นก็กินกินข้าวนะทั้งกินทั้งเตะทั้งทีบทั้งอะไรมารอกยอกแยกกันอยู่ในอนะสนุกสนานอยู่ในกลงนะหลวงพ่อก็เห็นนะอปร ง, งทำสลดใจปรงทำสังเวชในใจ ม, มันเหมือนกับมนุษย์โลกพญายมมาทูตเขาเอาไปเป็นคนคน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 ร้อห้าเจ็กรถิ่นของเราวันที่สิบสองที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่สิบสีกรถินของเราก็ผ่านไปเรียบร้อยก็จะตุ ป, ปจัจจัยก็นั่นนะตเตรียมพร้อมที่จะสร้างเพื่อสร้างเจดียนะ์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่ได้มากได้น้อยก่อนะเราก็ไม่ได้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 เรามาคลองสวรรค์เพียงเพียงครึ่งเดียวถ้าเราฆ่าพระอินทร์ซะเราจะเอาทั้งสองทั้งชั้นเลยไม่ดีกว่าเหลยขนาดขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กิเลสมันไม่ได้เลือกที่ไหนนะปณิสุขก็เลยคิดวางแผนฆ่าพระอินทร์แต่มันฆ่าไม่ได้ที้เพราะว่าคนเกิดบนสวรรค์เป็นบุญของใครของเราแต่ความอิจฉาของพญามันธาตรุราชเนี่ย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 ไม่มีอุปสรรคเพราะฉนั้นขอให้าฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะลูกหลานทุกคนผู้ที่ลาสิกขาไปแล้วเมื่อวานก็ดีหรือ ว, ว่าลูกหลานทุกคนที่ได้ยินก็ดีเลหรือได้ยินเพ็บได้ยินคําพูดของหลวงพ่อก็ดีหลวงพ่อไม่ได้เจับจาเพาะเจาะจงกับผู้ใดใครผู้หนึ่งฮะเป็นคําพูดที่ว่าเป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา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 พวกเราได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นมีแต่ผู้ที่รู้พระคุณก็มีิเภวซาทุข้าบจเจ้าขอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็เพียงแค่นั้นแหละเป็นหน้าที่ของพวกเรานะลึกถึงแต่ผู้ที่ส่งเสริมและเป็นผู้ทําลายกับพุทธบริษัทอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว